เมื่อเช้าได้พูดถึงคำว่ากายคตาสติอยู่ในหมวดของกายานุปัสนาอยู่ในกลุ่มของสติปฐานสถ้าเรามีคำถามมีข้อสงสัยว่าสติปฐานคืออะไรเราก็แยกแยกคำว่าสติแยกคำว่าปฐาน ออกมามปัจฐานนะ่มันแปล ว, ว่าที่ตั้งนะแล้วก็สติก็คือสติเราเนี่ยสติที่จะเป็นสติปัจฐานคือสติที่มีเจตนายกขึ้นมาตั้งไว้ยกขึ้นมาตั้งไว้ที่กายเรียกว่ากายยคตาสติ ที่กายเนี่ยเรียกว่ากายยคตาสติเนี่ยมันจึงจะเป็นสติประฐานนะตั้งที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเป็นสติประฐานแต่พระเจ้าจะให้การปฏิบัติลงไปที่กายกายานุปัสสนาที่เป็นกายยคตาสติเป็นหลักเพราะตั้งที่กายตั้งได้ง่ายเมื่อตั้งได้ก็จะทำให้ตั้งที่อื่นได้ ในแนวปฏิบัติหลายๆที่ที่ท่านสอนบอกว่าสายวัดนั่นสายวัดนีที่นั่นที่นี่เนี่ยมันก็ไม่มีที่ไหนหรอกที่หลุดออกไปจากกายกตาสตินะดีทั้งนั้นน่ะดีทั้งนั้ น, นอาจจะอ้อมไปนิดจ้าไปหน่อยในสายที่เขาเรียกว่ายานสิบกดูไห เคยได้ยินไหมสายหนอเขาเรียกสายหนอเวลาท่านจะดูในอิริยาบถอย่างนี้อิริยาบถย่อยอย่างนี้ถ้าเราจะยกอย่างนี้ให้เราอเอาแค่จิตไปรู้กายยู้มือที่เคลื่อนไงดูอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยรู้เล มันไม่ค่อยรู้มันรู้เบาๆใช่ไหมเออมันรู้บแต่ถ้าใส่หนอก็ไปแล้วยกช้าๆนะยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอกนยหนอกนยหนอกนอยกหนอยกกหนอยกนยกหนอยกนกหนอกหกหนอกหนอกหนอหนอกหนอหนอหนอหนอนนนนหนอ วางหนอวางหนอวางเงี้ยมันก็ตามง่ายไม่มีอะไรขัดแย้งนะเหมือนหมดเหมือนหมดแต่ให้อยู่ที่กายเรียกว่ากายะคตาสติถ้าเราไปอ่านส่วนที่เป็นกายะคตาสติในพระไตรปิฎกจะเห็นเลยพระพุทธเจ้ายกมาก ว่าปิกษุตั้งหลายเราเป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็เพราะกายยะสตาสติเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เพราะกายยคตาสติเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะกายยสติเพราะอะไรเพราะกายยสตาสติคือจิตที่รู้อยู่ที่กายอันเป็นปัจจุบันนั้นมันเป็นกลางอเข้าใจป่ะจิตที่รู้อยู่ที่กายที่ขณะที่มันเป็นปัจจุบันมันเป็นกลางจิตที่เป็นกลางมันจะทําให้เกิดการเห็นตามความเป็นจริง ที่จิตอยู่ในความเป็นปัจจุบันต่อเนื่องไปเรื่อยๆๆๆๆนั่นน่ะพระพุทเจ้าว่าอาตีตังนานวาคเบยยะไ ม, ไม่พึงน่วงอดีตตัดอดีตนับปฏิกางเคอนาคตังอย่าไปหวังน่วงอนาคตเนี่ยตัดอนาคตยะดะตติธมปางีนันตังให้ละทั้งอดีตทั้งอนาคตนั่นแหละ ปันตันจะอนาคตังทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตละไปไม่ต้อง่วงไม่ต้องคานึงสิ่งใดที่เป็นอดีตสิ่งใดที่เป็นอนาคตละไปปจจุบปันนันจจโยธรรมังตัดฐะตัทธะวิปัสสติสิ่งใดที่เป็นปัจจุบันให้ตามดูรู้ชัดกับสิ่งนั้นอ่ากักลางไหมน่คือกลางเระเ้าที่ยกตัวอย่างให้พวกท่านเห็นเหมือนเรายืนดูสายน้ำอะ สายน้ำตากระทบกับสายน้ำที่มันไหลอย่างงี้นะแต่เราไม่ปล่อยให้ตาเราไหลไปนี้หรืออย่างนี้นิ่งเงี้ยจ้องน้ำเงี้ยน้ำที่เห็นน้ำนิ่ง creo. มันไหลอยู่เนี่ยถ้ามันมีใบไม้โผล่ขึ้นมาตรงนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมออมีอะไรโผล่ขึ้นมาเราก็จะเห็นมีอะไรโผล่ขึ้นมาเราก็จะเห็นเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนการรู้ลมมาจรู้ลมหายใจก็เหมือนตาที่ยืนดูสายน้าเห็น ก็คือเห็นสิ่งที่เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเหมือนใบไม้เนี่ยเห็นเห็นเห็นนอกเหนือจากการรู้เมื่อรู้ลมหายใจในขณะที่จิตเรารู้ลมหายใจลมหายใจเข้าออเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไง ร, รู้อย่างนั้นนั่มาเป็นกลางนิ่งอย่างนี้แล้วอยู่ๆมีความคิดผุดขึ้นปึ๊กมันก็จะเห็นความคิดที่ผุดขึ้นม า, าอาการเห็นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าใจไม่มีเครื่องอยู่ที่เป็นกลาง ั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวลาพระพุทธเจ้าสอนภาวนานะ่ะพระพุทธเจ้าสอนเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกต้องตั้งขันทำนวนทำนี่พระพุทธเจ้าไม่มีแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ทำก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะมันเป็นเรื่องการจัดบริหารสภาพแวดล้อมให้มันเอื้อต่อการปฏิบัติให้มากที่สุดแต่พระพุทธเจ้าไม่ แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าจัดละไม่ได้ต้องจัดการให้จัดการตามนั้นเมื่อเช้าพูดกับพวกเราเรื่องการเดอือเรื่องการนั่งดูรู้หมายใจแรงใจของเราเปรียบเหมือนไอ้เจ้าหน่มคนหนึ่งที่มันใช้หม้อน้ํามันใช่ไหมถ้าใครอยากจะรู้เรื่องนี้อีกหน่อยเสริมก็ไปให้ไปอ่านชนบทกาลยานีสูตร เนีไปอ่านชนบทกาลยาณีสุทธทีนี้บ่ายนี้เราจะเดินจงกรมเดินจงกรมตรงเลยตรงกับไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้เลยเดินจงกรมมันจะตรงกับไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้เลยแหละทีเนี้ยเพราะไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้มาเดินถือหม้อน้ำมันไปใช่ไหมฮะ มันเดินถือม้วนแล้มันที่เต็มเปียมแล้วถ้าเดินเนี่ยถ้าใจมันถ้าตามัน ห, band, หันไปมองคนหรือไปมองนางรํไอไอไอไอไอม้วนใบนี้ก็จะขยับขยับมันก็จะนมันก็จะหกหกไอนี้ก็จะฟวันคอมันเนี่ยตรงเป๊ะเลยทีนี้เราก็จะเข้มข้นเข้มงวดจริงจังกับการเดินจงกรมบ่ายนี้ เอาไว้พวกเราแบบมีแรงใจให้เหมือนในเจ้าหนุ่มคนนั้นอะซึ่งแรงใจในการที่จะให้ถึงลมหายใจนั่นคือการต้องประคองลมช้าๆแรกๆอะ่ะให้เหมือนกับลมหายใจนี่มันเหมือนหม่อน้มันเหรการเดินก็คือจิตที่รู้ ไม่รู้ล่ะจะเข้มงวดเข้มข้นกับลมหายใจของตัวเองใส่ใจลงไปอย่างแรงมากเลยพอลมหายใจออกใส่ลมหายใจก็ใส่แรงใจเข้าไปดูเข้าก็ดูทําอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อืืออืแล้วในที่สุดลมหายใจมันจะปรับตัวมันเองลงมาเป็นระดับปกติ แล้วพอจิตยึดไิจิตก่อดูรงมาใจานั้นมันก็จะค่อยปรับละเอียดลงละเอียดลงช้าลงช้าลงสปายะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทางทางรรมสองอย่างนี้ก่อนเดินก็เหมือนกันได้ยังนี่ต้องขอความร่วมมือจากท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยให้ให้เอาจิงแลวก็ตั้งใจกับการเดินในบ่ายวันนี้ นอกเหนือจากการเดินในครั้งนี้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระเจ้าอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าของเรานะซึ่งเราจะทำกันยังก่อนที่เราจะจบกันไปวันนี้เอาทุกคนเตรียมตัวดูให้ดีตั้งใจนะเมื่อเช้านี้เมื่อเช้ า, ชาบอกว่า ชายหนุ่มคนหนึ่งมันเดินถือหม้อน้ํามันอย่างเงี้ยแต่มันเป็นหนุ่มที่มีใจฝักใฝ่เรื่องสวยๆงามๆแล้วมีนางรําอยู่ข้างฟ้ามีผู้คนเยอะแยะที่มาดูคอนเสิร์ตอยู่ข้างซ้ายแต่ชายนนหนุ่มคนนี้จงเดินถือหม้อหอนที่เต็มบุ้ยน้ํามันเนี่ยหม้อดินคือถ้าน้ํามันหกหยดหนึ่งไอ้คนที่เดินตามหลังมามันจะเอาดาบควนันคอ ท่านเจ้าหนุ่มคนนี้ต้องเดินประคองหม้อน้ำมันไปช้าๆอย่างเงี้ยไม่วอกแวกไม่ใส่ใจสิ่งรอบข้างทั้งๆ ท, ที่ตัวเองชอบมากแต่ใส่ใจไม่ได้วกหันไปทางโน้นน้ำมันก็จะหกใช่ไหมหันไปทางนี้น้ำมันก็จะหกเพราะฉะนั้นหันไม่ได้ไม่วอกแวกอย่างนี้เลยเดินไปจนผ่านพ้นไปได้ เรียบเหมือนกายสตากติที่เรียกว่าเดินจงกรม <c oughs> เราการเดินจงกรมเนี่ยเราจะเอาเท้าดูการเคลื่อนไหวของเท้าเราเดินเคลื่อนโวยยังไงรู้อยังไงใส่แรงใจของเราทั้งหมดที่มีอยู่นี้ลงไปที่เท้าของเราเริ่มต้นเราก็รู้การยืน อย่างแรงนะใสยไปเลยนะมีเสียงป๊กป๊กป๊กปักอะไรเนี่ยไม่ใส่ใจตาแม้ดีอยู่ก็ทําเป็นเหมือนอหูแม้ดีอยู่ก็ทําเป็นเหมือนเหมือนหนวกปัญญาแม่มีอยู่ก็ทําเป็นเหมือนบ้ากําลังแม้มีมากมายก็ทําเป็นเหมือนทุรพลนี่พระมหาจัยนะเกตอธิบายไว้ กำลังแม้มีอยู่เนี่ยในขณะนี้กําลังที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่จะเดินได้เร็วและสามารถที่จะวิ่งได้แต่แมวทําเป็นเหมือนไม่มีกําลังคือเดินช้าๆเข้าใจไหมมันแรงใจทั้งหมดที่มีใส่ลงไปกับการเดินโยงกลมให้การเคลื่อนไหวของเท้านี้เป็นที่อยู่ของจิตเข้าใจไหมคุณได้ยินเสียงอะไรสัตว่าไร้ยิน สักบาได้ยินตาไปเห็นตาที่มองไปประมาณถ้าเราเดินเลยที่เนี่ที่นี่ก็มองประมาณสองสาเมตรเท่านั้นแม้มองเห็นแล้วก็แค่รู้เท่านั้นรู้นั้นมีความใส่ใจน้อยมากนั้นแรงใส่ใจหลักแรงใจที่จะส่งไปรู้หลักคือรู้การขึ้นใหม่รองเท้าใช่ไหมเอาตั้งใจดูนะรู้การยืนอย่างนี้ น้ำหนักเราก็จะกดลงไปที่ฝ่าเท้าของเราจากนั้นเราก็ซ้อมยืนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ซ้อมแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเรื่องการเดินไปอย่างนี้ไปถึงสุดเสร็จแล้วกลับมาอย่างนี้แล้วกลับมาถึงถึงสุดเสร็จแล้วหยุดแล้วก็กลับมาอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจว่าฉันต้องเดินให้ได้เยอะๆเราไม่ได้ทำรอบเข้าใจไหมเรายืนอยู่ตรงนี้ รู้การยืนเสร็จแล้วเราลองอ่อาเห็นนะยกพายขึ้นนิดนึงดูส้นเท้าเราถนัดซ้ายเราก็เอาซ้ายเป็นหลักยกส้นซ้ายขึ้นซ้อมให้จิตมันรู้สึกแรงใจของเราส่งไปที่การเคลื่อนไหวของส้นเท้าเราลองยกส้นเท้าขึ้นให้มันรู้สึกยกส้นขวาขึ้นให้มันรู้สึก ถ้ามันรู้สึกน้อยๆแสดงว่าแรงใจไม่พอส่งมาลงไปอีกจากนั้นเราก็ยกส้นขึ้นลงมาซ้อมก้าวไปซ้อมก้าวไปดูสิให้จิตรู้มันเกาะเข้าไปแรงใจตามเท้าที่ส่งไปเหยียบยกอย่าง เหยียบมีแรงใจเข้าไปเกาะรู้การเคลื่อนไหวของเท้าทุกขนาดนี่พอเหยียบเสร็จแล้วยังไม่ได้ยกถ้าพอเหยียบปับปบจิตไม่รู้มันยกขึ้นมาของมันเองนี่คือโมหานโมหะความหลงความประมาทถ้าเรายกขึ้นมาแล้วเมื่อกี้จิตมันบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้รู้นี่มันเป็นเรื่องราวของความหลงปล่อยมันแต่ถ้าเราไม่พอใจที่จะปล่อย ไอ้อยู่่ปเหยียบปรับไปใหม่เพื่อที่จะรู้เขาเนี้ยพอยกปั๊บย่างรู้เหยียบปั๊บรู้ยกมารู้ย่างไปรู้เหยียบลงรู้ถ้ามันยกโดยไม่รู้ก็ให้รู้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้รู้เมื่อกี้เราตกอยู่หน้าของบูห่าแล้วเราก็มารู้ตอนย่างแต่ก็เหยียบยกไม่ได้รู้ไม่เป็นไรรู้ตอนย่างรู้ตอนเหยียบ เราไม่เอาเราละเอียดมากกว่านั้นไอตอนหลงเรไม่เอาเราก็กลับไปใหม่กลับไปเมื่อสตกเกียบยกขึ้นมาแค่นี้ดูดูนี้เดินจงกรมแบบนี้มีที่แค่เนี้เดินได้ไหม <c oughs> ได้เพราะฉะนั้นเรายังรับได้อีกเยอะต้ <c oughs> องเรียนทนแต่น้อยที่สุดขี่เก้ขึ้นอยู่กับฐานที่แต่ถ้าเราไปปฏิบัติเองที่บ้านอะ่ะให้มีได้สักสิเมตร ที่เดินอะที่บ้านเรานะที่บ้านเราแบบสบายสบายที่ดนอย่างน้อยๆต้องมีสักสิบเก้าเนี่ยเราเดินอย่างงี้อันนี้เรากําหนดตรงนี้กับตรงนั้นนะที่เส้นไฟนี่นะโยมดูตั้งใจดูนะโยมเดี๋ยวจะได้ทําให้สบายสบายแล้วลดลดตัวตน ต, ตัวเองออกด้วยนะ ผู้จัดการเอ่ยผู้บริหารเอ่ยท่านประธานเอ่ยอะไรต่างๆตรวจตัวตนออกให้หมดเลยเหลือแค่ที่ยืนอยู่นี่คือรูปกับนามอนี่เจ้าคุณนะแต่ไม่เอานี่ถ้าเอาก็จะต้องนั่งเนิบๆอยู่บนนั้นอ่ะอันนี้ไม่เอาไม่เอาเหลือแต่รูปแต่นามเอาดูนะ ดูะปลดตัวตนออกให้หมดเลยอย่าให้มันเหลือเหลือแต่รูปนามที่จะเคลื่อนเนี่ยกรโดดจากนี่ไปถึงนั้นยกขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกใส่ใจในการยกขึ้นใส่ใจในการย่างไปเหยียบลงยกขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึก สุดหยุดรู้การยืนจิตรู้ถึงน้ำหนักที่เทลงไปที่พื้นที่ฝ่าเท้าทั้งสองหลังจากนั้นหมุนหมุนรู้รู้รู้รู้รู้อ่ารู้การยืนอีกจะเดินต่ออีกนะยกขึ้นรู้ ระคองให้เหมือนไอ้หนุ่มที่มันถือหม้อน้มันนะสุดแ้รู้ยืนแล้วก็หมุนอาจจะหมุนบางคนจะหมุนอย่างนี้ก็ได้หมุนทีละนิดก็รู้ทีละนิดอย่างเงี้ย คือขยับยังไง ร, รู้ตามความเป็นจริงไม่ว่าอย่างอัตามารู้แค่ถามทีอย่างนี้แต่บางคนอาจจะลำบากไงอย่างคุณเนี้ยลำบากใช่ไหมหมุนอย่างเงี้ยต้องทีละนิดทีละนิดขาไม่ค่อยดีขาไม่ค่อยดีก็ทีละนิดอย่างนี้แกก็ไม่ค่อยยอมรับหรอกอ้า เห็นไหมได้ไหมสบายสบายอย่างนี้แต่ใส่แรงใจเข้าไปเยอะๆได้ยินเสียงอะไรใครคุยโทรศัพท์ บ, บ้างอะไรไอ้จำไม่เป็นไรสระเดยว่าได้ยินถ้าเราเดินอยู่อย่างนี้เท้าการเคลื่อนไหวของเท้าเป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตรู้การเคลื่อนไหวของเท้าอย่างนี้แล้วมันมีเสียงโผล่ขึ้นมาก็เหมือนกับการที่เรายืนดูสายน้ำ เสียงนั้นก็เป็นเสมือนใบไม้ที่ไหลามากับน้ำแล้วมาโผล่ขึ้นในความเป็นปัจจุบันของเราเข้าใจปะและมันก็ผ่านไปการรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในขณะที่เราอยู่กับปัจจุบันของเรานั้นการรู้สภาวะนั้นแหละเรียกว่าเห็นแยกออกมาแล้วพอเห็นปั๊บมันก็ผ่านไปเห็นปั๊บมันก็ผ่านไปเห็นปั๊บมันก็ผ่านไปใช่ไหมหรือในขณะที่เรากาลังรู้ยก ย่างวางโยกย่างเหยียบอยู่นี้เกิดความคิดขึ้นมาจิตที่รู้อยู่กับเท้าเท้าซึ่งเป็นสที่รู้เนี่ยนั่นมันเป็นขณะที่เป็นปัจจุบันแล้วมีความคิดโผล่ขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าเห็นมีเหตุปัจจัยให้เกิดสภาวะขึ้นมาสภาวะนั้นเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยและพอมันหายไปถ้าจิตรู้อยู่กับความเป็นกลางมันก็จะเห็นว่าไอ้ความคิดนั้นหายไปด้วย ข้อสำคัญเราจะต้องไม่ไปปรุงอยู่กับความคิดหรือกับสภาวะอันใดที่เกิดขึ้นในขณะที่เราเดินจงกรมเข้าใจไหมไอ้หนุ่มคนนั้นอะ่ะมันถือหม้อนะ้ำมันอย่างนี้พอมันเดินไปปั๊บเสียงคนช ม, มโหแลสพชมมินังนั่นน่ะชมกอนเถอดักมันกรี๊ดกันควาควโน้นอะ่ะไม่ใส่ใจคนฝั่งนี้ร้องเพลงร้องรําขับร้องอยู่ความนี้มันก็ได้ยินไม่ใส่ใจ มีหูเป็นเหมือนหนวกมีตาเป็นเหมือนบอดเข้าใจไหมนี่ต้องหัดฝึกอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ใส่แรงใจของท่านลงไปในการเดินอย่างลมอย่างนี้ให้ได้แล้วเวลากลับไปเนี่ยทำที่บ้านแล้วเราจะสบายสบายมากการเดินอย่างนี้มันทำให้เรามีเครื่องอยู่นอกเหนือจากลมหายใจแล้วมีอะไรเป็นเครื่องอยู่มีอิริยาบดเป็นเครื่องอยู่ เพราะถ้าเราสามารถใส่แรงใจเข้าไปอยู่ในการเคลื่อนไหวของเท้าเราได้นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะใส่ไปในอิริยาบถใดก็ได้ต่ออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเวลาเดินแล้วมันจะเกิดแน่เมื่อเราเดินอย่างนี้นะเมื่อเราเดินอย่างเงี้ยเราเดินไปด้วยและสิ่งสาคัญที่สุดอย่าไปคาดหวังอย่าไปลกเป้าอย่าไปตั้งไหวใจมันรอด้วยอะไร เมื่อไรน้องพ่อจะบอกเลิกนี่นี่ก็นานเลยนะนี่ก็เมื่อกี้บอกว่าสาสิบนาทีนี่มันฉันว่ามันกว่าเลยนะพอใจคิดอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมใจเรามันไปไหนมันหลุดไปอนาคตแล้วหลุดออกไปอยู่ข้างนอกแล้วสู์สิ้นความเป็นกลางแล้วเข้าใจไหมเราเราจะต้องไม่ล็อกไม่ล็อกใดๆทั้งสิ้นไม่ตั้งความหวังใดๆทั้งสิ้น เนี่ยแต่ตอนที่เราบอกตั้งใจที่จะเดิอนอย่างเงี้ยแรงใจที่มุ่งที่จะรู้การเท่ง เ, เท้าเนี่ยมันคือตัณหาเหมือนกันอืมมันคือตัณหาเหมือนกันแต่ในทางปฏิบัติเขาไม่เรียกตัณหาเขาเรียกว่าอะไรฮะเออนี่เก่งนะเนี่ย <laughs> เขาเรียกเพื่อไม่ให้ชื่อมันเหมือนกันเฉยๆแต่ลักษณะมันเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ฉันทะเข้าไปเยอะๆ เ, เปลี่ยนจากคำว่าแรงใจมาเป็นฉันทะตั้งใจให้มากเลยเดินให้ได้อย่าไปล็อกเป้าอย่าไปตั้งความหวังอย่าไปคาดแล้วก็อย่าไปสงสัยเมื่อเมื่อทางปฏิบัติคือการรู้การเคลื่อนไหวของเท้ายกย่างเหยียบไปถ้าในขณะที่ยังไม่ยกในขณะที่ยังไม่ย่ยงยางในขณะที่ยังไม่เหยียบ ต้องไงก็รู้อยู่อย่างเงี้ยพอถึงเวลามันยกขึ้นก็รู้ก็ยกอย่างไปก็รู้ว่าย่างเหยียบไปลงไปก็รู้ว่าเหยียบจิตอยู่กับความเป็นปัจจุบันอย่างนี้ในขณะที่มันยังไม่ยกไม่ย่างไม่เหยียบทําไงก็อยู่อย่างเงี้ยในขณะที่มันยืนอยู่ตรงตรงนี้ทําไงก็อยู่อย่างนี้แต่ต้องรู้อยู่ตรงนี้นะต้องรู้อยู่ตรงนี้จะขยายถ้ายืนยืนอยู่เฉยๆเนี่ยรู้ที่ขวาเท้าจะขยายรู้นี้ขึ้นมาที่ไหนขึ้นมารู้ทั้งกายได้ แท่งกายที่มันตั้งยืนอยู่อย่างนี้ได้ยืนเฉยเฉยรู้อะไรรู้กายทั้งกายที่มันยืนอยู่ในอิริยาบถอย่างนี้ได้รู้ตั้งแต่ศรีรษะยืนลงไปขวาเท้าที่มีน้ําหนักกดลงไปที่ขวาเาทีเราถึงเรงกระทบสัมผัสอย่างนี้เรารู้ได้รู้ทั้งกายอย่างนี้เรียกว่ารู้ทั้งกายยืนอยู่เฉยเนี่รู้ทั้งกายได้เวลาขยับรู้อีกขยับรู้อีกอ่ะเท้าที่ขยับหรือกายที่ตั้งอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ในขณะนั้นมันเป็นปัจจุบันอาการจิตที่รู้การเคลื่อนไหวของปัจจุบันการจิตนั้นเป็นปัจจุบันธรรมรู้ตัวนั้นเป็นปัจวันธรรมปัจจุบันธรรมกับปัจจุบันาการอยู่ด้วยกันนั่นแหละเขาเรียกว่าปัจจุบันแท้ๆเลยในตรงนี้มันไม่มีตัณหาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิเข้าใจไหมเพราะมันมีตัณหามีมานะมีทิฏฐิมันก็ออกจากความเป็นปัจจุบันทันที ถ้าเขาอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆสภาพธรรมที่มีเหตุปัจจัยให้เกิดอะไรก็ตามขึ้นมามันก็จะเห็นเห็นสิ่งนั้นะตามความเป็นจริงเข้าใจนะอาใครสงสัยถามคนที่เอาถาม นี่สงสัยว่าถ้าเดินแล้วคิดจะทํำยังไง บ, บอกว่าอย่าสงสัย <S <S ถ้าสงสัยแล้วคิดแน่ <S 1> <S 1> อ้าวดูก็ดูนะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังอะไร เ, เรื่องของความคิดนะ<ม>พอเรารู้ในการยกเนี่ยรู้ไปรู้ไปอย่างนี้ครับเห็นความคิดมันเกิดขึ้นมีความคิดเกิดขึ้นหยุด หยุดอย่างนี้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วมันเห็นความคิดท่านี่พอเราหยุดปับ๊บรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นความคิดนั้นดับทันที ไ, ไม่ดับสแสดงว่าเราปรุงสแสดงว่าเราปรุงคือเราไหลแช่ไปกับความคิดเข้าใจปะม ไ, ปไม่ต้องไปกําหนดมันนะไปกําหนดมันก็ยิ่งแช่กันไปใหญ่ เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นปั๊บจิตมัน อ, อนออกมาจากเท้าเราหยุดรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้รู้ไปด้วยแล้วมันหายไปก็รู้ว่ามันดับเราก็มารู้เท้าต่อไม่ไปคาดหวังคาดหมายไม่ให้ค่าแต่ให้ตามความจริงที่มันเป็นเข้าใจไหมที่พระเจ้าบอกยะถาภูตังประชานาติรู้ตามความเป็นจริง รู้ตามความเป็นจริงมันมีความคิดเกิดขึ้นก็ใช่ไงในความเป็นจริงมีมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้มันพอเรารู้เสร็จมันยังอยู่อ๋ออมันยังอยู่รู้มันมันหายไปแล้วก็รู้ว่ามันหายไปแล้วแล้วกลับมารู้การเกิดไหวของเท้าก็ราต่อไปกลัวว่าความคิดจะไม่หายถามหน่อยเกิดมาชาตินี้ตั้งแต่รู้เรียนสาดีคิดกี่ครั้งเยอะและที่คิดกเก่ามันหายไปไหนอ่ะเมา แน่ดูแล้วใช่ไหมไม่มีความคิดไหนที่เป็นอนันตการที่เป็นนิธิรันมันเป็นแค่สภาวะที่มีการเกิดขึ้นและการดับไปเป็นปกติเท่านั้นแต่ถ้ามันเกิดความคิดขึ้นมาปั๊บแล้วเราไปครุ่นคิดกับมันเช่นเดินไปเดินมาเกิดปวามคิดว่าเอ๊ะเมื่อเช้าแล้วกหูแจอยฉง จิตไปแล้วพอคําว่าล็อกกุญแจเนี่ยมันไม่ได้สักแต่ว่าคิดแล้วพอมันมีความคิดเกิดขึ้นเราจะต้องไม่ไปมองพยัญชนะหรืออนุพยัญชนะคือต้องไม่ไปมองสาระโครงสร้างของความคิดทั้งหมดองค์ประกอบของความคิดทั้งหมดต้องไม่มองแค่รู้ว่าอ๋อมันมีความคิดเกิดขึ้นแต่ถ้าพอเราพอมันมีความคิดเกิดขึ้นปั๊บแล้วเราไปใส่ห้อมันคิดเรื่องนี่มันเรื่องคุณลืมใส่กุญแจบ้านเอ๊ะใช่จริงๆด้วย เมื่อชารเราเร า, เราล็อกห่นแย่อย่างเอ้ยทำไมล็อกไอ้ข้างบ้านมีป้ามาทํางานอยู่เอ้เข้ามาก็ไปอะเออปรุงปรุงแทนไงปรุงแทนไงคือถ้าเราปรุงอย่างนี้นะปรุงอย่างนี้นะมันก็ไปไปไปมันไปถึงไหนรู้ปะไปถึงทุกเออมันปรุงแล้วมันไปถึงทุก อย่างนี้เรียกว่าปรงุงเรียกว่าครุนคิดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พอมันมีความคิดเกิดขึ้นจิตหลุดออกจากเท้าเนี่ยปั๊บเราแค่รู้ว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นพอเรารู้ปั๊บมันจะหายทันทีเพราะความคิดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นด้วยความไม่รู้พอเรารู้ปั๊บความคิดนั้นจะหายทันทีทุกคิดเลยมันจะหายทันที แต่ถเรารุงมันก็จะเป็นความคิดที่ต่อเนื่องไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับที่เรามองไม่เห็นเข้าใจไหมความคิดก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นรู้พอเขาหายปับ๊บเราก็รู้การเคลื่อนไหวของเท้ายกย่างเจียบไปเรื่อยๆถ้าความคิดไม่เกิดสิแปลงแปลง สภาวะไม่เกิดเนี่ยแปลกการที่เกิดสภาวะ บ, อ บ, อ บ, อบอ่อยๆอยออีกอย่างหนึง่งสําหรับพวกที่ตั้งใจเยอะๆพอเดินไปถึงปับ๊บคิดถึงบ้านคิดอีกแล้วเริ่มรําคาญกับความคิดเพราะใจตั้งใจที่จะเดินไม่อยากคิดพอเดินไปถึงปับ๊บมันคิดอีกแล้วรําคาญเนี่ยเนี ย, เ, นยเรียกอุทจักกุกุจกัก มาจากโทสะมาจากโทสะแล้วเรื่องมุดกิดรำคาญแล้วทไมมันคิดจังเลยเพราะมีความตั้งใจที่จะไม่คิดเพราะฉะนั้นเราไม่เอาอย่างนั้นเราแค่มีเทา้าการเคลื่อนไหวของเท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้กับจิตที่รู้การเคลื่อนไหวของเท้าตามความเป็นจริงอะไรที่เกิดขึ้นมาถือเป็นสภาวะที่เห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของสภาวะทั้งทั้งหมด มีการเกิดและการดับเป็นปกติพอเราเห็นอะไรเกิดเราก็รู้ว่ามันเกิดพอมันดับเราก็รู้ว่ามันดับแล้วเราก็มาอยู่กับการเคลื่อนไหวของเท้าของเราต่อไปฮะเป็นไงมีคําถามไหมกำลังทึ่งเลยโอ้ยหลวงพ่อมาเดินสอนเองเลยบอกแล้วต้องตัดตัวตนออกไปเลยเข้าใจไหมนี่ก็เป็นหวัวหน้าโน่นก็เป็นหวัวนหน้าอางเงี้ย นี่เจ้าของพริษัทเตัดมันออกหมดะเหลือแค่รูปกับนามเท่านั้น